สติมันเหมือนกับตาในที่ช่วยทำให้เราได้เห็นกายและใจการเห็นกายและใจเนี่ยด้วยสติคล้ายๆกับเรามองเห็นคลื่นในทะเลแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในทะเลเราอยู่บนหาดทราย อยู่บนหาสายก็เห็นคลื่นเล็กคลื่นน้อยที่ซัด ก, กันข้อหาฝั่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปรียบไปกับคลื่นถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่จมลงไปในทะเลหรือว่าอยู่ในทะเลก็เห็นคลื่นเหมือนกันนะเห็นคลื่นมาแล้วก็ไปแต่ว่า การที่เราไปเพ่งเพื่อที่จะเฝ้าดูอย่างประเภทที่ว่าจับจ้องความรู้สึกนึกคิดอยากจะเห็นมันชัดๆอยากจะเห็นกายชัดๆอยากจะเห็นความรู้สึกนึกคิดชัดๆก็ไม่ต่างจากคนที่อยู่ในทะเลมันก็เห็นคลื่นได้ชัดนะแต่ว่าก็เปียกแล้วก็ไปเป็นอันเดียว ไป ค, ป, คคปคลุกเคล้าคลุกครีกัตัวคลื่นซะเลยเมื่อโดนคลื่นมันซัดโดนคลื่นมันโยนตัวเราไปโยนโยนไปโยนมายอย่างนั้นแหละคนที่ไม่มีสติก็ก็ถูกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเข้ามากระทำํำคล้ายๆกันคือความคิดก็พาเราไปถูรูถูกล ก, ถกลางไปไปไหนก็ไม่รู้ ถ้าไปจมอยู่ในความทุกข์บางทีก็ยินดีเพลิดเพลินกับมันนะจนหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เหมือนไม่ไม่ต่างจากคนที่อยู่ในทะเลแล้วก็โดนคลื่นซัดซัดไปซัดมาแต่ว่าเรามีวิธีที่จะดูหรือเห็นคลื่นได้ดีกว่า น, นั้นก็คือไปอยู่เ็นฝั่งถ้าเรามีสติในการรู้ อารมณ์ความรู้สึกนึคิดก็เป็นอย่างนั้นแหละคืออารมณ์ความรู้สึกนึคิดก็เป็นอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นผู้รู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่มันไม่สามารถจะเข้ามาทําให้เรากับเพื่อนหรือทำให้เราทุกข์ได้อันนี้ก็ทําให้เราอยู่อย่างปกติอยู่อย่างสบายและการที่เราเห็นคลื่นอยู่บน อาดตายเราก็ได้เห็นลักษณะอาการของมันชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นลำดับก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคืนไม่ว่าจะเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่นมันมามันก็ไปแต่มันมาไม่ถึงตัวเราพอมาถึงอาดตา์มันก็สงบลงไปมันทำอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีสตินั้นเราก็เหมือนกับจมลงไปในในทะเลนะไม่ว่าในฐานะที่เป็นผู้เผลอหรือผู้เพ่งจะเผลอหรือเพ่งก็เหมือนกันก็คือว่าผูกเื่นมันซัดแล้วก็เราก็เปรียบลองลองสังเกตความแตกต่างดูเวลาเราปฏิบัติก็จะเห็นความแตกต่างพอมีสติรู้ ไอ้ความนึกคิดที่กำลังพาเราตัวเลงตัวเลงไปมันก็ค่อยๆจางหายไปมันไม่สะดุดหยุดกึดเหมือนกับการใช้วิธีการเพ่งหรือการไปหยุดความคิดเวลาเรามีความคิดแล้วเราไปห้ามความคิดนี่มันจะสะดุดกึดเลยแต่ว่าการที่เรามีสติรู้เมื่อเผลอคิดแล้วมีสติรู้นี่มันจะความคิดมันค่อยๆคลายไป และให้ความรู้สึกที่เบาวกว่าการที่เราไปหยุดไปห้ามความคิดเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากการพยายามที่จะเข้าไปเพ่งเมื่อเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่พูดไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาคือความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่มันเจือด้วยตันหาหรือเจือด้วยโทสะก็แล้วแต่ เห็นความโกรธความเครียดเห็นความทุกข์เมื่อเราเห็นด้วยสติเราก็ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ผู้เกลียดผู้เครีย ด, ยดทีล่ามาเราก็เผลอเข้าไปเป็นนั่นเป็นนี่สุดแท้แต่ความรู้สึกนึกคิดจะพาไปแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทุกทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเจือด้วยมันเจือด้วยกิเลส มันเจอได้อุปทานลองพิจารณาดูดีๆเนี่ยแม้แต่ไม่ใช่แค่เป็นผู้เครียดผู้โกรธเท่านั้นที่มันทำให้ทุกข์ในตัวอันนั้นมันชัดอยู่แล้วเพราะความเครียดความโกรธความความเศร้าโศงนี่มันมันบีบคันใ จ, ใจิตใจมันเผาล้นใจิตใจอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าแม้จะเป็นอย่างอื่นก็ตามเช่นเป็นเป็นผู้ดีใจเป็นผู้เพลิเพลิน หรือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆเขาอยากจะเป็นกันเป็นผู้ชนะเป็นผู้เก่งผู้กล้าหรือแม้แต่เป็นไปสำคัญมันหมายว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้พอไปยึดมันเข้าด้วยความไม่รู้เพราะไม่มีสติพอไปยึดมันเข้าเนี่ยมันก็ุกได้ทั้งนั้นนะ คนไม่เก่งนี่ก็ทุกอยู่แล้วในตัวคนไม่สวยนี่ก็ทุกอยู่แล้วในตัวเป็นคนจน ก, ก็ทุกอยู่แล้วในตัวแต่เป็นในสิ่งที่ตรงข้ามซึ่งใครๆถือว่าดีก็ทุกเหมือนกันเป็นคนเก่งก็ทุกโดยก็ยิ่งสําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนเก่งเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังเกิดความกลัวเกิดความไม่มั่นใจว่าจะมีอีใครมาเก่งกว่าฉันหรือเปล่าอันนี้เรียกว่ามันถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นด้วยความกลัว พลัวว่ามันจะเสื่อมหายไปอันนี้ที่เรียกว่าชะลามรณะเนี่ยความสําคัญม่เหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ในภาษาบาลีก็เรียกว่าชาติชาตินี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวการเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยความยึดมั่นถือมั่น อันนี้มันก็ทำให้ทุกได้เหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าชาติเมื่อมีชาติคือมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับชรามรณะเป็นคนเก่งก็ถูกบีบคั้นด้วยความไม่แน่นอนว่าจะเก่งแบบนี้ไปนานเท่าไหร่อินใครเก่งกว่าก็ทุกเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นด้วยความ ยึดมั่นถึอมั่นหรือด้วยค ว, วามไม่รู้เรื่อนอำากิเลสเนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่เสมอแม้กระทั่งเป็นความทรงจำ ม, มั่นหมายว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนในส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาน่าขึ้นมาว่าโอ้ฉันฉันนี่ดีฉันนี่ประเสริฐกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้โดยตัวมันเอก็เป็นกิเลสซึ่ง ก็ทําให้จิตนีนะ้ไม่เป็นกุศลเพราะว่ามันจะมีอาการยกตนข่มท่านและขณะเดียวกันเมื่อมีคนที่เขาปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าเรานะเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจขึ้นมาหรือพอมีคนมาบอกว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเราไม่มีสติ น, ะนะนี่ก็ทุกข์ขึ้นมาเลย บางทีก็อยากจะให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างนักปฏิบัติธรรมแต่พอเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นกับเราหรือปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรากับเราในฐานะพระแต่เขาไม่ปฏิบัติอย่างนั้นกับเราอย่างที่เราคาดหมายอ่า น, นี้มันก็ทุกข์เหมือนกันเพราะว่าไอ้ความสําคัญมันมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันเจอได้อุปทานเจอได้กิเลสบางอย่างก็ดูเหมือนว่าไม่สําคัญนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ ม, มีผมยาว อ๋อมีคนมาสํารวจบอกว่าโอ้คนนี้นี่เป็นคนที่ผมยาวที่สุดในโลกหรือผมยาวที่สุดในประเทศเอาแล้วทีนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปมีคนมาเชิญไปออกรายการแต่ก่อนตอนที่ไม่มีใครมาค้นพบตอนที่ไม่มีใครมาบอกว่าเธอเป็นคนที่ผมยาวที่สุดในประเทศหรือของโลกนี่ก็รู้สึกธรมธรมดาธรรมดาที่ว่าผมยาวก็ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรก็เพียงแต่ว่า ชอบไว้อย่างนั้นเองแต่พอกลายเป็นคนที่มีผมยาวที่สุดในประเทศหรือในโลกหรือว่าใครๆก็รู้จักออกรายการแล้วคราวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วในแง่หนึ่งก็อาจจะรู้สึกภูมิใจว่าโอ้ฉันนี่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศบางที่ไอการเป็นผมยาวหรือไม่ผมยาวนี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเลยแต่ว่าเกิดความลําพองใจขึ้นมา แต่ทีนี้ถ้าเกิดมีคนที่ทำท่าว่าจะมีผมยาวกว่าเราละตอนนี้เราเริ่มทุกข์แล้วเริ่มจะนอนไม่หลับทำยังไงดีถึงจะทำให้ผมยันยาวกว่า น, นี้ได้จะต้องมีน้ายาอะไรมีสมุนไพรอะไรจะมาทำให้มันยาวเพื่อที่จะรักษาสถิตความเป็นคนที่ผมยาวที่สุดในโลกหรืออย่างบางคนอ้วนที่สุดในโลกนะ ไอตอนที่ไม่มีใครมารู้จักก็เฉยๆก็เป็นทุกข์กับความอ้วนของตัวได้ซ้ําแต่พอ ใ, ใครๆมาถ่ายออกโทรทัศน์ออกทีวีว่าเป็นคนที่อ้วนที่สุดในประเทศหรืออ้วนที่สุดในโลกก็เริ่มปลื้มแล้วแต่พอพบว่าจะมีคนที่จะอ้วนกว่าตัวจะมาชิงแชมป์ไปตัวเองจะไม่ใช่เป็นคนที่อ้วนที่สุดในประเทศละหรือในโลกละเอาแล้วคราวนี้เริ่มทุกข์ละ เริ่มคิดและทำไงถึงจะเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้นทั้งๆที่อาการเพิ่มน้ำหนักนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวี้ซ้ำหนักสองสามร้อกิโลนี่มันจะไปไหวยัไงได้ยังไงแต่เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันก็เมื่อเวลาจะเสื่อมหรือจะมีคนมามาชิงตำแหน่งแทนก็กลับเป็นทุกข์ ทำในสิ่งซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้ซ้ำไห่ลองดูเถอะอย่าว่าแต่การเป็นคนเก่งเป็นทิปปตีเป็นประหลัย ก, กระทรวงอะไรเลยหรือเป็นรัฐมนตรีแค่เป็นคนที่ผมยาวที่สุดในประเทศนี่มันก็ทุกเหมือนกันพระพุทธองค์เนี่ยถึงเคยตอบคำถามของพราม์ว่าพระองค์นี่ไม่เป็นอะไรเลย พรามคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้านี่ท่าทางมีสง่าราศีมากก็ถามว่าพระองค์นี่เป็นเทวดาหรือเปล่าพระงก็บอกไม่ได้เป็นพอมาถามว่านั้นพระองค์เป็นคนทันหรือว่าคนทันนี่ก็ก็เป็นเทวดาอีกเหมือนกันแต่ว่าระดับต่ําลงมาหน่อยที่บรรเลงเพลงพรงก็บอกไม่ได้เป็นแล้วตกลงเป็นยักษ์หรือเปล่านะยักษ์นี่ก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะพรงก็บอกไม่ใช่ถามพระองค์นี่เป็นมนุษย์หรือเปล่าพระองค์ก็ปฏิเสธ ตัวพระองค์เป็นอะไรพระองค์ก็อธิบายว่ากิเลสที่จะทําให้เป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์นี้พระงไม่มีแล้วละแล้วแต่ว่าก็เรียกหรือถือว่าพระองค์เป็นพุทธะก็แล้วกันเรียกพระองค์เป็นพุทธะขอให้สมมุติเรียกพระองค์เป็นพุทธะแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอะไรหมายความว่าพระองค์ไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรแล้วเพราะว่าความสําคัญมั่นหมายเนี่ยมันยังเจือ ด้วยความไม่รู้ยังเจอด้วยความหลงอยู่ยังเจอด้วยอุปาทานอยู่นี่ขนาดเป็นในสิ่งที่ดีๆพวกยังไม่เป็นเลยเพราะว่าเป็นแล่มันก็เสื่อมได้เป็นกษัตริย์เป็นนักการเมืองเป็นนายกเป็นเศรษฐีเป็นคนเก่งเป็นคนสวยสิ่งเหล่านี้นี่มันเจอไปด้วยทุกข์ไม่ต้องรอให้มันเสื่อมซะก่อนหรอกไม่ต้องรอให้เสื่อมจากสภาวะความเป็นนั่นเป็นนี่ซะก่อนหรอก เพียงแค่สำคัญมาหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทุกข์แล้วเพราะว่ากลัวกลัวที่จะสูญเสียหรือหลุดจากความเป็นนั่นเป็นนี่ไปบ่มเป็นธรรมดาของโลกด้วยนั้นนับภาษาอะไรกับการเป็นผู้โกรธผู้เครียดผู้โศกผู้เศร้าผู้ทุกข์เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่แล้วก็ทางการเป็นเป็นหญิงเป็นชาย ก็ทำให้ทุกแต่เหมือนกันเคยมีมานี่มามาบอกพระเถรีรูปหนึ่งบอกว่าอย่าปฏิบัติธรรมเลยนะผู้หญิงอย่างท่านอย่าปฏิบัติธรรมไปได้แค่ไหนพระเถรีท่านนั้นก็ท่านก็บรรลุธรรมแล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธญาติผู้ใดที่ยังสําคัญว่าตัวเองเป็นบุรุษเป็นสตีหรือ ย, อยังสําคัญว่าเรามีอยู่คนะอย มา น, นี่ไปพูดกับคนนั้นเถิดอันนี้หมายความว่าตัวพระเทรีท่านนั้นนี่ท่านบอกว่าท่านไปพ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายแล้วคือไม่มีความสำคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปแต่พวกเมื่อถ้าพวกเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะไปยึดเอาว่าเนี่ยฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ซึ่งมันก็เป็นความยึดมั่นถือมันในตัวตนแบบหนึ่ง ความยมาถือมันในตัวตนแบบนี้เนี่ยพอมันยึดขึ้นมาตัวตนก็เกิดขึ้นด้วยความสำคัญผิดและพอเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็ถ้าก็มีเป้า ม, มีเป้าที่จะให้ความทุกข์มากระทบแต่ถ้าเข้าถึงความจริงชนิดที่เราไม่มีตัวตนไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวตนไม่มีความสำคัญว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวตนที่จะมารับ แรงกระทบกระแทกจากความทุกข์ได้แล้ท่านไวหลังที่ท่านพูดเว็นน่าสนใจคือเคยมีคนเขียนสโลวว่าจิตนี้เหมือนกับกระจกต้องหมั่นเช็ดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ฝุ่นนี่มาเกาะแต่ท่านเวหลังนะซึ่งเป็นสังฆปรินา ย, ยกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นไคยเป็นอะไรทั้งสิน้นเป็นพระเป็นพระชั้นพูดน้อยท่านก็เขียนสโลวมาว่าจิตนั้นอาใช่กระจกใหม คือไม่มีกระจกอ่ะมันไม่มีกระจกตั้งแต่แรกแล้วแล้วฝุ่นจะไปเกาะ อ, อะไรถ้ามีกระจกนะก้อนหินมาตกก็แตกแต่ถ้าไม่มีกระจกนี่ก้อนหินตกลงมาก็ไม่กระทบกับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะมารองรับกร็รองรับหินนั้นนลล น, นี่พอไปสำคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวตนด้วยความยึดนโยบานเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเรากําลังเรากําลังเอากระจกมาวางที่จะรองรับแรงกระทบกระแทกถูกาาาถก็ด่ามาถูกก็พูดจาด้วยถ้อยคำไม่ไพเราะไอถ้อยคํานั้นมันก็เข้ามากระแทกกระแทกกระจกอาจจะไม่แตกแต่ก็สท้นหรือว่าเ้ามองด้วยอาการที่ไม่เคารพ สายตาเช่นนั้นมันก็เข้ามากระทบมากระทบกันแล้วกระทบกับตัวตนที่ไปไปสร้างเอาเองในใจนั้นถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับมีเป้าที่จะให้อะไรต่ออะไรมากระทบกับแทกได้ทางนั้นไม่ว่าจะโดยทางตาโดยทางหูโดยทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้ทั่งโดยการคิดเอาถ้าเป็นแค่ความคิดนี่มันก็เหมือนกับสิ่งที่มากระทบกับตัวตนได้ เ ข, เขาไม่เขาไม่เคารพฉันเขาไม่ทักฉันเขาไม่มีสัมมาคารวะกับฉันหรือว่าเขาไม่เห็นความดีของฉันไอตัวฉันฉันนี่มันก็คือเป้าที่ทำให้เราทุกข์ได้เพราะมันเหมือนกับเรามีกระจกที่คอยรับไม่ใช่แค่คอยเป็นที่ที่ให้ฝุ่นเกาะเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นที่รองรับ เศษถิ่นเสศษปวดเศษทรายที่เข้ามากระแทกบางคนก็โดนกระแทกจนแตกเลยก็ไปสร้างตัวตนขึ้นมารองรับเองบางทีมองทห่พิมจะไปว่าจะไปว่าเศษถิ่นเสรศษปวดเศษทรายก็ไม่ได้นะเพราะเราไปเอาไปวางกระจกไว้ขวางทางเขาเองแต่ถ้าไม่มีกระจกตั้งแต่แรกแล้วมันก็ไม่มีการแตก เหมือนกับถ้าไม่มีไม่มีตัวชันแล้วมันก็ไม่มีพูดทุกข์มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีพูดทุกข์พู้เครียดแต่พอเราไปปรุงว่ามีตัวฉั้นเมื่อไหร่อะไรตัวนี่มันเข้าไปยึดตอออันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะล้วก็คงจะสังเกตได้นะจากการที่เราเราใช้ตาในเนี่ยคือสตินี่ไปดูไปดูไปรับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็ขอให้เห็นมันเฉยๆอย่าเข้าไปเป็นที่หลวงพ่อคำเคียนผู้อยู่เสมอวให้เป็นผู้เห็นอย่าอย่าเป็นผู้เป็นเห็นเฉยๆเมื่อเห็นแล้วเห็นด้วยสติมันก็ไม่เข้าไปเป็นถ้าเป็นแล้วมันก็ยืดยาวเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ดี ที่คนเขานิยมกันความ เ, เขียนนั่นก็เลยบอกว่าเนี้ยทนไม่มีไม่เป็นไม่ไมีไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นไอ้มีนี่ก็ทุกเหมือนกันนะคำ ว, ว่าของเรามีก็คือยึดว่าเป็นของเราก็ทุกมีอะไรก็ทุกทั้งนั้นเพราะไอ้สิ่งที่เรามีนั้นมาไม่เที่ยงและยิ่งไปเสริมความเป็นของเราเข้าไปด้วยก็ยิ่งทําให้หลงเข้าไปใหญ่ มีร้อยอย่างก็ทุกร้อยอย่างโดยเพราะมีด้วยความศิลเ ส, สเนหาหรือด้วยความอยากด้วยความรักไม่ม่าจะเป็นของหรือผู้คนนางวิสาขาเนี่ยก็เคยทุกข์ทุกข์เพราะว่าหลานคนโปรดนี่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากก็เศร้ามันก็บร้องไห้เพราะคือเจ้าถามก็อธิบายว่าเนี่ยนางวิสาขาก็อธิบายว่านี่ เศราโศกเสียใจเพราะหลานตายลูกเจ้าก็เลยถามว่าถ้าเกิดคนในหนึ่งสาวัตถีนี่ทีเหมือนหลานของนางวิสาขานางวิสาจะรักไหมนางวิสาเขาก็บอรักักเหมือนหลานพองค์เลยถามต่อไปว่ารู้ไหมว่าคนในกลุ่มสาวัตถีนี้ตายกันวัละกี่คนนางวิสาขาบอกว่าประมาณไม่ได้พองค์ก็เลยตอบว่านี่ ถารักมากมายอย่างนั้นเนี่ยมันก็น ก, นก็มีทุกวันวันหนึ่งนี่ไม่ทุกมากมายเพราะคนรักนี่ก็จากไปกหรอกเลอพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยมีรักร้อยอย่างก็ทุกร้อยรักเก้าสิบก็ทุกเก้าสิบรักแปดสิบก็ทุกแปดสิบรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งนะไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์อะไรอันนี้ก็รวมถึงการไปยึดว่ามันปเป็นเราของเราด้วยนะหลายของเราลูกของเราทรัพย์สมบัติของเรา มีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยแต่ที่จริงท่านไม่ได้หมายถึงการมีแบบมีแบบที่เห็นเห็นอยู่นะแต่หมายถึงการไปยึดนะ่ะอย่างพระเสวลีนี่ก็มีก็เป็นเอต ท, ทัศน์ในเรื่องของผู้มีลาภ ม, มากนะแต่ว่าก็ไม่ทุกเพราะว่ามีแต่ไม่ได้ยึดเนี่ยไม่ได้ยึดแต่คนส่วนใหญ่มีแล้วไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกมารเคยพูดกับพระเจ้าว่า ชนใดกล่าวถึงสิ่งนั้นว่านี่ของเราชนใดที่มีความคิดเช่นนี้อยู่ย่อมอยู่ในอำนาจของเราเจ้าก็เลยตอบไปว่าชนใดกล่าวถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนผู้กล่าวว่านี่เป็นของเรานั้นไม่ใช่เราเห็นว่าเรานี่เรานี่ไม่ใช่ผู้ที่จะกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเรา แล้วก็บอกให้มานี่ก็ให้ไปจย่มาข้องเกี่ยวกับพระองค์พระงไม่อยู่ในอำนาจของมานเมื่อไรก็ตามที่ไปยึดว่าอะไรเป็นของเราสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของเรานี่ก็เสร็จมานมานชอบอยู่แล้วมานี่ก็คือตัวที่ทําให้คนร้อนต้องตกอยู่ในวัฏฏสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การมีนี่ต้องมีให้เป็นนะถ้ามีไม่เป็นคือไปมีด้วยความที่วันนั้นเป็นของเราก็ทุกข์ เป็นก็ต้องเป็นให้ถูกไงหรือถ้าเป็นด้วยความสําคัญยึดมัน่นว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยอุปาทานด้วยกิเลสก็ทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นถ้นนพูดอย่างภาษาธรรมคือไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไม่เป็นเพราะมีสติและปัญญาเข้าใจว่ามีแล้วเป็นนั่นมันเป็ น, นทุกข์อ้หมายถึง เป็นภาษาทรรมคือมีด้วยความยึดนะบางคนก็มีแค่กะโหลกกะลาใบเดียวก็วยังทุกขเ์เพราะไปยึดมั่นถึงมันในกะโหลกกะลานั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะทุกข์น้อยกว่าคนที่มีหลายายเพราะว่ามันมีมากก็ทุกข์มากอย่างที่ว่ามาแต่จริงๆแล้วที่มีนี่หมายถึงไม่ใช่มีในครอบครองแต่ว่าใจเป็นไ ป, น ป, นปนยึดอเอาไว้ไปยึดในความมีความเป็น หลวงพ่อความคิง ก, ก็เลยว่าไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็ก็ลองพิจารณาดูเวลาเราจเจริญสติเราเผลอก็ไปยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่บ้างไหมไปยึดว่าไปหลงเผลอไปคิดว่าเป็นผู้ทุกข์ผู้เครียดผู้ผู้ตลัวบ้างหรือเปล่า หรือว่าไปหลงยึดว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมบางทีก็เผลอเหมือนกันนะักปฏิบัติธรรมไม่กี่วันก็ไปเกิดความยึดมันสาคัญหมายเป็นนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังหรือว่าปฏิบัติธรรมเจ็ดวันพอมีหน้าใหม่มาอะละอยากจะไปสอนเขาละสมาเคยเป็นนะัปฏิบัติธรรมใหม่ๆที่ว่าสนามในอยู่ปฏิบัติรรได้อาทิตย์สองอาทิตย์ ว่าสนามในนี่วันเสาร์ที่นี่จะมีคนมาปฏิบัติธรรมสมัยมก่อนกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมนี่จัดปฏิบัติเสาร์อาทิตย์ที่ว่าสนามในจะมีคนใหม่ๆบางทีก็มีเพื่อนมาให้เรานีนปฏิบัติธรรมยังไม่ไปถึงไหนเลยมาเห็นเห็นพวกนี้มาก็อยากจะเข้าไปสอนอ่ะเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแค่สองอาทิตย์นั้นแหละ มันเกิดความเกิดมานะถือตัวขึ้นมาว่าฉันนี่มีประสบการณ์มากกว่าพวกเธอซึ่งเป็นเด็กใหม่อันนี้มันโดนกิเลสหล อ, อก้็ไปและตัวเองยังเอาตัวไม่ล่อเลยจะไปสอนเขาบางทีนักปฏิบัติธรรมเราก็เผลอไปเหมือนกันนะเห็นใครมาก็อยากจะเข้าไปสอนบางทีเราก็สาคัญว่าเออฉันเป็นอาจารย์กนะ็มันก็มีอยากจะ ความมั่นสอย่าไปสอนอย่าจะพูดพูดพูดพูดอ่านี่โดนมันหลอกก็เป็นละไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าเราเผลอไม่มีสติเพราะเราไปมีอุปทานว่าต้องเป็นอาจารย์เด็กศิลปดีหรือต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมเด็กศดีอ่านี้ก็ต้องก็ได้สิ่งที่ปรากดใจใจของเราเนี่ยในแต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละนะมาเป็นครูสอนเรา เราเราก็จะเห็นเห็นลึกไปเรื่อยไปเรือเห็นลึกไปเรื่อยแล้วโอ้เอ็ตัวนี้มันมันหลอกเราได้นะนี่มันกิเลสเนี่ยก็ไม่ต้องให้ทําให้การปฏิบัติของเราซับซ้อนนอกจากว่าเราปฏิบัติเสมือนหนึ่งเราอยู่อ ย, อ, ยอยู่บนชายหาดแล้วมองดูคลื่นอย่าไปอนาถร้อนใจว่าคลื่นมันจะเล็กหรือจะใหญ่อย่าไปคิดจัดการกับคลื่นมาหรืออ ย, อย่าไปคิดว่า จ, จะโดดไปเล่นกับคลื่นโตคลื่นวางใจไปดูเบิกขา คลึ่นซัดเข้ามาคือนเล็กคลื่นใหญ่มันก็มันก็ไม่มีอะไรนั้นแหละเวลามันก็ตับไปมันจะอยู่ไม่ได้นาน